นี่ต่อไปนะทราบคือจากค่าของเราเป็นยังไงสละบาปสละอกุศลไปถึงไหนบ้างแล้วเนี่ยนะบางคนเขาบอกหุยบุญก็อยากได้แต่ของก็ไม่อยากเสียข้อนั้นถ้าอย่างงี้ก็โอ้โหอันนี้เครียาะห์จนจ น, จนในหะระยะวินัยนี้นะพันก็จากค่าเราเป็นยังไงบ้างสละบาปอากุศลไปถึงขนาดไหนแล้วแล้วปัญญาล่ะ น, น, นะโลกาณิโรทสูตรเนี่ยอยู่ในตำราหรือว่าอยู่ที่ตาของเราไงะ เราก็ต้องเอามาไข้ควรวนมาไข้ควรวนในชีวิตจริงเข้าใจชัดในมัชชิมาปฏิปทาถ้าปฏิบัติตามมักมีองค์แปดรมที่สุดแทงทุกได้อัน น, นเข้าใจวิธีการเจริญโทษชงอันนั้นก็แสดงว่าทรัพย์คือศรัท ธ, ธาศีลสุตตะจาระคปัญญาทรัพย์คือฮิริโอตตะเพิ่มภูนบริบูรณ์อันนี้ก็ประกาศว่าเจริญขึ้นถ้าตรงกันข้ามประจันข้างแรม พระจันทร์ข้างแรงก็มืดไปเรื่อยไปเรื่อยวันนี้ทำท่าจะสว่างพรุ่งนี้เอชักแย่ลงไปก่า น, นี้เรื่อยๆถ้าอย่างงี้ก็ก็น่าสงสารนะผมมาว่าเจริญเมตตาให้ตัวเองเยอะๆท่นเถอดเนี่ยนะขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขพ้นจากความทุกข์อยู่เถิดไงนะต้องฝึกเจริญเมตตาเพราะถ้าถ้าเราไม่มีเมตตาตัวตัวเองนะคิดว่าจะเพิ่มพูนคุณธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากต้องมันตรวจสอบเนี่ยนะอย่าลืมว่าชีวิตของเราเนี่ยนะชีวิตในวัฏฏะจริงๆอ่ะนะ มาก็มาคนเดียวบอกจะให้มาแฝดอีกก็ไม่เอานะก็มาคนเดียวไอ้ไปก็ไปคนเดียวอีกนั่นแหละใครจะชวนเราไปเกิดใหม่เราไม่อยากไปด้วยหรอกไปคนเดียวเธออย่างไงนี้ะมันก็มาก็มาคนเดียวไปก็ไปคนเดียวนะปวดหัวก็ปวดคนเดียวปวดท้องเป็นต้นก็ปวดคนเดียวมันเรื่องคนเดียวทั้งนั้นเลยแล้วจะทําบาปให้ตัวเองไปถึงไหนเนี่ยนะนะแล้วทําไมเราไม่ทําบุญให้ตัวเองบ้างอ่ะใช่ไหมหรือว่าพยาบาทจองเวรตัวเองแล้วแช่งเลย จะต้องดวดร้อนดังต่อไปนี้หนึ่งอายุสัน้นสองยากจนเห็นใจสามมีแต่คนรังเกียจชิงจังสามถูกดา่าตั้งแต่เชา้าจนคำ่ำไม่มีใครพูดจริงกับเราสักคำเลยอย่างเงี้ยนอะเอาไหมแล้วสติปัญญากว่ปั่มปั่ ม, ปมเปอเปอรไปย่งเงนะก็พวกนี้ก็แช่งตัวเองชัดๆถามว่าสาปแช่งตัวเองหรือให้พรตัวเองอะดูจากตรงไห น, นก็ดูจากกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมเน่ยนะครับเราต้องสามารถศึกษาจนตรวจสอบตัวเองได้ แล้วก็มีใจภาพเพียรที่จะตรวจสอบละสิ่งที่ควรละออกไปเพิ่มพูนสิ่งที่ควรเพิ่มพูนเข้ามาอะไรเป็นสาระเนี่ยนะต้องแยกแยะ ก, กําหนดแจกแจงตรงนั้นได้แต่ถ้าบางท่านเขาเขาเก่งอะนะสามารถสํารวจตรวจตราช่วยเหลือตัวเองได้ก็อนุโมทนาแต่ถ้าผู้ที่ทําอย่างนั้นไม่ได้มันก็ปฏิเสธหัวหน้าไม่ได้ในหมู่มนุษย์จําต้องอาศัย หัวหน้าแล้วก็เลือกดูว่าหัวหน้าของเราเป็นอย่างไรเนี่ยเขาให้ประโยชน์เหล่านั้นได้ไหมแต่ถ้าอย่างสมัยนี้ก็พระไตยปิฎกก็ดูว่าแบ่งเวลาอยู่กับพระไตยปิฎกวันละนะก็อย่างว่าวันหนึ่งอ่ะคิดถึงพระพุทธเจ้ากับคิดถึงคนอื่นอ่ะไหนมากกว่ากันก็ลองดูเอาล้วกันทำท่าจะเจริญหรือทำท่าจะเสื่อมอย่างเงี้ยนะก็ดูจากตรงนั้นนะว่าวันหนึ่งคิดถึงพระพุทธเจ้ากับคิดถึงคนอื่นเป็นยังไงก็ตรวจได้เลยนะ คนอื่นนะเขาพูดอะไรเราจำได้หมดเลยเว้นแต่คำพระพุทธเจ้าอย่างเดียว น, นะมันไปคุยกับใครที่ไหนเมื่ อ, อไรเช้าสายบ่ายค่ำเวลาเท่านั้นอู้อารมพรบทยาวพอพระสูตรสองมันพัดเรอก็กจำไม่ได้เขายากยากนะอย่าลืมว่ามแมลงวันเนี่ยไม่เคยชอบของหอมนี่มาดูต่อไปนะข้ออปริหานิยธรรมข้อที่ห้า ตรงต่ว่าดูก่อนที่สุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจักยังไม่รู้อํานาจของตันหาอันมีปกติทําไม่เกิดในภพใหม่ที่เกิดขึ้นตลอดกาลเพียงไรภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้เพียงนั้น น, นะอยากรู้อำอยากรู้อนาจตันหาที่พาสร้างภพชาติตันหานั้นคืออะไรโปโนภวิกาตันหาที่ทําให้เกิดภพใหม่เนี่ยนะเป็นชื่อของตันหา ท่านบอกว่าอะไรภิกษุเหล่าใดรับบิณฑบาตของอุปถากแล้วจากบ้านหนึ่งไปยังอีกบ้านหนึ่งเพราะเหตุแห่งปัจใจสี่ภิกษุเหล่านั้นชื่อว่าอยู่ใต้อำนาจแห่งตันหาเนี่ยนะก็ะคือชีวิตนี้สแสวงหาแต่เครื่องนุ่งหม่มแสวงหาแต่อาหารเพื่อเลี้ยงปากท้องสแสวงหาแต่แต่อะไรสแสวงหาแต่อาหารเพื่อเลี้ยงสแสวงหาแต่ที่อยู่อาศัยสแสวงหาแต่ยานเนี่ยนะ ก็แปลว่าหาแต่ปัจจัยสี่อย่างเดียวก็สแสวงหาพบไม่ถ้าลุอยู่ตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งปัจจัยสี่ปัจจัยสี่นี่ยเขามีไว้สําหรับทําอะไรเอาไว้สําหรับเลี้ยงขันห้าเอาไว้สําหรับบำเรอขันห้ามันถ้าแสดงว่าปรารถนาปัจจัยสี่ยิ่งนะักก็แปลว่าปรารถนาขันห้าเพราะปัจจัยสี่จะมีประโยชน์สําหรับผู้ที่มีขันห้ามันถ้ายินดีในปัจจัยสี่ก็แปลว่ายินดีในขันห้าเป็นอย่างยิ่ง ถ้ายินดีในขนันห้าก็ยินดีในพบใหม่นะพบใหม่ก็ต่อด้วยอะไรพบเป็นป right? pues <mus> nope ัจจัยจึงมีชาติที่ส <of exporting> <breed> ุดของชาติก็คือชรามรณะโสกปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตินนะเตรียมภาชนะไว้รับน้ำตาบ้างกแล้วกันอะไรดีไว้ไว้ใส่น้ำตาบอกวอาไนต้องใช้ทะเลนั่นแหละนะต้องขุดคิดวอะไรต้องขุดสะเท่าทะเลนั่นแหละจึงจะพอรองรับน้าตาได้นะ เสื่อใอีกนานเพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่รู้อํานาจแห่งตันหาที่นํำไปสู่พบใหม่นะต้องระลึกถึงสิ่งที่พระองค์ตอนที่ตรัสรู้ใหม่ๆ่นะนดูก่อนตันหาดูก่อนตันหาในช่างผู้สร้างเรือนบัดการเกิดบ่อยๆนี่มันเป็นทุกข์่างั้นกันเถอะนะการเกิดใหม่เป็นทุกข์นะอย่างคนที่เป็นฝีเนี่ยนะเป็นฝีประเภทชนิดแบบเจ็บปวดเนี่ยนะจะรู้ฝีขึ้นมาลูกหนึ่งมันทุกแท้เนี่ยนะ แม่ลูกใหม่ก็ยังไม่หายดีลูกเก่าไอ้ลูกเก่าก็ยังไม่หายดีลูกก้อนใหม่จะขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยนะแต่ถ้ากลุ่มโรคมะเร็งเนี่ยฟังแล้วเข้าใจเลยนะบอกแม้ก้อนเก่าก็ยังไม่หายดีไอ้ก้อนใหม่ก็ขึ้นมาอีกแล้วทุกแพ้เชื่อไหมมะเร็งเนี่ยตรงไหนว้างในกายนี้มะเร็งมันมีไม่ได้ยังไงนะบางคนก็บอกแม่หัวใจนี่ผมยังไม่ค่อยเห็นว่ามันมันเป็นมะเร็งนี่ยังไงที่หัวใจว่ามีโยมคนหนึ่งเขาอยู่แผนกอ่าเกี่ยวกับเนี่ยวนๆอยู่กับไอ้ไอ้มะเร็งนี่แหละ ทุกส่วนผมเห็นหมดเลยนะแต่หัวใจนี่ผมยังไม่เคยเห็นเขาบอกงั้นถ้ามันยังไม่ทันเป็นในขนานั้นอมตายก่อนตั้งนานแล้วอย่างนะีมันก็เลยไม่ทันแบบไอ้ลุกลามก้อนใหญ่ก้อนโตเพราะถ้าเป็นจริงก็ตายก่อนตั้งนานแล้วบอกงั้นท่านก็ท่นอย่าอย่าลุ้นอำนาจแห่งตันหาที่ทําให้เกิดในพบใหม่เพราะตันหาที่ทําให้เกิดในพบใหม่ตัวนั้นก็ขึ้นชื่อว่าการเกิดก็ตามด้วยชารามรณะโสกปริเทวะทุกโธมนัตและ อุปายาตอันนี้เรียกว่าของแถมจากชาติคือการเกิดเพราะฉะนั้นถ้ายินดีการเกิดก็เท่ากับบอกว่ายินดีของแถมด้วยนะใช่ไหมของแถมก็คืออะไรชรามรณะโสกะประิเทวทุกโทมนัตอุปายาตแล้วก็การเลี้ยงดูอุปาทานขันห้านั้นอิศก็ต้องดูแลให้ดีนะถ้าดูแลไม่ดีเข า, าประท้วงถ้าดูแลรูปไม่ดีรูปประท้วงประท้วงถึงไหนเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยนะฮะ แล้วก็ถ้าหากว่าพิสูทั้งหลายไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งตันหานะจริงตันหาที่ทำให้เกิดในภพใหม่ก็คือตันหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดภพภพบเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติชาติาตเป็นปัจจัยจึงเกิดชารา ม, มรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตนะก็ตันหาพวกนี้มาจากไหนก็มาจากตันหามาจาก เวทนาทางตาบ้างตันหามาจากเวทนาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจนะเพราะถ้าไม่รู้ภายตกอยู่ภา ย, ตายใต้อำนาจแห่งตันหาอย่าลืมว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามกับตันหาก็คือสิกขาเพราะฉะนั้นถ้าไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของตันหาก็คือการเจริญสิกขาถ้าเจริญสิกขาได้ก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกได้ ทีนี้ต่อไปก็พูดถึงสถานที่ที่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติเพื่อกาจัดตัญหาพระองค์บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายและภิกษุทั้งหลายยังเป็นผู้มีความห่วงใยในเสนาสนะตามราวป่าตลอดการเพียงไรภิกษุทั้งหลายเพิงหวังความเจริญอย่างเดียวฮะความเสื่อมไม่ได้แปลว่าถ้าเป็นผู้ถึงสถานที่นึกถึงแต่ความเงียบความสงบะนะถ้าดวงใจเนี่ยนะใจเนี่ย ระลึกถึงแต่ความสงบอยู่อย่างเนี้ยังเจริญอยู่แต่ถ้าแม้ในใจเนี่ยแทบไม่เคยคิดถึงบรรยากาศที่เงียบๆสงบๆกายะวิเวกเป็นต้นแต่คิดอย่างนี้ไม่ออกเลยนะเพรแปลว่าเสื่อมอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องระลึกดูว่าบรรยากาศใจจริงๆอต้องการอยู่ เ, เรียกอะไรนะตอนหน้าประชุมชนหรือต้องการอยู่ในที่เงียบๆถ้ายังยินดีในที่เงียบก็แปลว่ายังเจริญอยู่แต่ถ้าตรงกันข้ามเสมื่อมแน่เนี่ยนะ เพราะฉะนั้นถ้าจะต้องผู้ทีย่ยังยินดีอยู่ในป่าอธิบายคำว่าถ้ายังยินดีอยู่ในป่ายังยินดีอยู่ในที่หลีกเล่นก็แปลว่ายังยินดีในการเจริญอธิศีนอธิจิตและอธิปัญญาเพราะสถานที่ป่าเนี่ยนะจริงๆแล้วเหมาะสำหรับการเจริญสิกขาสามก็อย่างที่บอกว่า ถ้าหากว่าเราเห็นคนทั่วๆไปเนี่ยเห็นคนนี้ก็เรื่องของคนนี้ไปเห็นคนนั้นก็เรื่องของคนนั้นไ ป, ไปเห็นคนโน้นก็เรื่องของคนโน้นไปแต่ถ้าอยู่ป่าโดยมากถ้ามีใจรักสิกขาสามเมื่ออยู่สถานที่เงียบๆไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครก็อธิศีนอธิจิตอธิปัญญาก็าจะเข้ามาระลึกถึงพระสูตรต่ตางๆก็จะเข้ามาเนี่ยนะเว้นไว้แต่ว่าแม้เจอเพื่อนที่เป็นคอเดียวกันธาตุเดียวกันเจอหน้ากันเมื่อไหร่ก็ อีกอพูดพศูตรกันอยู่ตลอดเวลาถ้าอย่างนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาใ น, นี้ถ้าอย่างนี้ก็ยังเจริญอยู่แต่ถ้าหาเพื่อนเช่นนั้นไม่ได้ทํำยังไงก็ต้องหลีกเร้นเพื่อที่จะอะไรลึกถึงพระธรรมและลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าจะได้ใส่ใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าคือนี้ขณะเดียวกันเนี่ยนะภิกษุที่อยู่ในเสนาสนะบ้านกับพระภิกษุที่อยู่ในเสนาสนะป่ามีอยู่สูตรหนึ่งพระองค์บอกว่า พระองชื่นชมภิกษุที่ยังไม่ได้ฌานแต่อยู่ป่ามากกว่าอนุโมทนากับภิกษุที่อยู่ได้ฌานแล้วอยู่ในหมู่บ้านถามว่าเพราะอะไรพอเธอเนี่ยนะได้ฌานถึงจะอยู่ในเสนาสนะบ้านถึงได้ฌานแต่เสียงเป็นปฏิปักษ์ต่อฌานเนี่ยนะก็ไม่เชื่อนะเขาบอกว่าอะไรไงสังเกตดูเวลาเดินทางเนี่ยนะบางแห่งเนี่ยเห็นชัดเลยเฮ้ยกำลังเจริญกรรมาฐานมาอย่างดีเนี่ยนะ ฟังเขาว่าไปนั่งรถโดยสารบางคัานะเปิดเพลงตั้งแต่รถวิ่งจนถึงถึงที่เนี่ยแปดชั่วโมงเต็มเตมเลยนะอุ้ยฟังแต่เสียงเพลงตลอดเลยนะเนี่ยท่านเว้นไว้แต่มีบุญเนี่ยบอกว่านี่เสียงครวญของปัญหาตลอดเวลาถ้าอย่างนี้ได้ก็โอเคนะก็นี่นะคำพูดของความผิดหวังในเรื่องขันท่าอริย تنا เนี่ยแต่ถ้าสังเวชตลอดเวลานะสังเวชเนืองเนืองสังเวช ท, ทุกคําในเนื้อเพลงอะถ้าอย่างนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาอุ้ยเห็นดีเห็นงามไปกับเสียงเพลงหมดเลยถ้าอย่างนี้ก็ อยเสื่อมตั้งแต่ขึ้นรถแล้วเนี่ยนะมันก็อันนี้เรื่องของอเสนาสนะเนี่ยถือว่าสำคัญเกื้อกูลต่อการเจริญสมถะและวิปัสสนามากนะสำหรับผู้ที่อยู่ป่านั้นถึงจะอกุศลวิตกครอบงำบ้างครั้งคราวแต่ก็บรรเทาวอากุศลวิตกก็จิต ก, ก็จะเป็นไปกับกุศลได้อย่างต่อเนื่องนะมันาจากอัิริหานิยธรรมข้อที่หกนี้บอกว่า ถ้ายังยินดีในที่สงัดอยู่ก็แปลว่ายังเจริญต่อไปได้เนี่ยนะยังเจริญอยู่ไม่เสื่อมหรอกแต่ถ้ายังไม่ยินดีในทีเ่เลิกยินดีในที่สงัดเมื่อไหร่ก็เสือ่อมข้อที่เจ็ดข้อที่เจ็ดนีก็สําคัญบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายยังจะเข้าไปตั้งสติเอาไว้เฉพาะตนว่าทำอย่างไรเพื่อนสัพพมจารีทั้งหลายผู้มีศีลอันเป็นที่รัก ที่ยังไม่มาก็ขอให้มาเพื่อนสัพพรมจารีทั้งหลายผู้มีศีลอันเป็นที่รักที่มาแล้วขอให้ท่านอยู่สบายขอให้ท่านอยู่เป็นสุขเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ที่วัดไหนก็ตามเนี่ยอยู่คนเดียวเงียบก็จริงแต่ใจก็ยังหวังว่าฉะไหนหนอผู้มีศีลอันเป็นที่รักที่ยังไม่มาก็ขอให้มาก็แปลว่าอะไรผู้ที่ไม่รักศีลที่ยังอยู่ก็ขอให้ไป ผู้ที่ศีลก็ไม่รักเนี่ยนะที่อยู่แล้วก็ขอให้จงรีบไปที่คิดจะมาก็ขออย่าได้คิดเลยอย่างนั้นเปลี่ยนความคิดเสถ่อก็ต้องแบบก็แปลว่าอย่างนั้นเหมือนกันนะแปลว่าเพราะต้องการพบแต่คนที่มีศีลอันเป็นที่รักต้องอถ้ายกศีลแล้วก็พรหมจารีแปลว่าผู้ประพฤติพรหมจริ่งพรหมจารีเนี่ยผู้ประพฤติพรหมจริ่์ผู้ประพฤติในอธิศีลอธิ จ, จิตและอธิปัญญาผู้ปฏิบัติตาม อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดผู้ที่รักศีลเจริญข้อปฏิบัติตามอาริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดที่ยังไม่มาก็ขอได้มาเถอสําหรับท่านที่มาแล้วอยู่แล้วก็ขอให้อยู่อย่างเป็นสุขเถออัตกถาก็อธิบายว่าบทว่าปัจจตังเยวะสติงอุปัฏฐเปสันติได้แก่เข้าไปตั้งสติเอาไว้ในใจ คือสามัญยะสานึกแปลว่าเป็นอย่างนั้นสามัญยะสานึกมีอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ว่าผู้มีศีลที่ยังไม่มาก็ขอให้มาผู้ที่มาแล้วก็ขอให้อยู่สบายบอกว่าก็แปลตรงกันข้ามอีกฝ่ายดำก็คือผู้ที่มีศีลเออขอไปผู้ที่ทุศีลที่ยังไม่มาขออย่าได้แม้กระทั่งคิดว่าจะมาะะผู้ที่มาแล้วก็ขอให้มีธุระรีบออกไปเนี่ยนะ เราแปลว่าอย่างนั้นนะนะขอให้มีธุระด่วนโทด่วนอะไรก็ได้ให้ได้ไปให้พน้พนๆเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าอยู่นานเนี่ยอะไรนะภาพเพลิงถ้าเข้าพระราชวังเนี่ยนะแปลว่าถ้ายิ่งเข้านานเท่าไหร่มันก็วอดเท่านั้นจะไหมแม่เขบอกว่าอะไรจะเลวร้ายเท่ากับคนทุศีลไม่มีอีกแล้วคนทุศีนเนี่ยสร้างความเสียหายมีอยู่สูตรหนึ่งอันนี้ไม่ได้พูดเองนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าในอุปัตวะสูตรเป็นต้นเนี่ยสูตรที่กล่าวถึงพวกภัยอุบาทอุบาทแล้วว่าจังไ ร, รเป็นต้นเนี่ยนะ ในสูตรหนึ่งเขาบอกว่าดูก่อนที่สูตทั้งหลายไฟเนี่ยเวลามันไหม้นะมันไม่ได้ไหม้จากปราสาทหรอกตึกใหญ่ๆอาคารที่มิดชิดดีๆเนี่ยนะไฟมันจะไม่ไหม้มาจากตรงนั้นหรอกแบบโบราณเนี่ยนะบอกมันไหม้มาจากไหนไหมไหม้มาจากเรือนไม้อ้อเรือนไม้อ้อบ้านแบบหญ้าคามีแต่หญ้านะไฟมันจะไม่ลามมาจากตรงนั้นเสร็จแล้วมันก็มันก็จะลามไหม้แม้กระทั่งปราสาทพวกตึกอะไรอาคารบ้านช่องมันเผาว่าไปหมดเลย ฉั้นใดก็ดีอุบาทหรืออุปัตถว์เนี่ยนะอุปสรรคปัญหาความวุ่นวายความน่ากลัวภัยทุกอย่างไม่ได้เกิดจากบัณฑิตเลยแต่เกิดจากคนพาลนะนะความน่ากลัวทุกชนิดปัญหาทุกอย่างอุปสรรคทุกอย่างความเลวร้ายทั้งปวงเกิดจากคนพาลนะเกิดจากคนพาลเพราะฉนคนพาล น, นี่มีภัยเฉพาะหน้าบัณฑิตไม่มีภัยเฉพาะหน้าคนพาลมีอุปสรรคเฉพาะหน้า บันเด็ไม่มีอุปสรรคคือเรื่องมันเยอะจริงๆอะนะเรียกเ่ อ, เอ โ, ล โ, ลโลกของคนพานเขาว่ากันเพราะฉะนั้นจะต้องตั้งไว้ว่าอาเสวนาจะพาลานังอะนะแต่เจริญมงค์นแบบนี้ให้เยอะๆนะขอให้ข้าพเจ้ามีมงคลขอให้ข้าพเจ้าได้เจริญมงคลอย่าได้คบคนพานเลยถ้าข้าพเจ้าเป็นพานเสียเองก็ขอให้เลอะเละรับอะไรนะให้ละซะบ้างเถอะความเป็นพานอย่างนะก็ะเจริญนะ ขอให้ได้ครบบัณฑิตเนี่ยนะถ้าตัวเองเป็นบัณฑิตก็ขอให้เป็นบัณฑิตยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้ายังเป็นน้อยๆก็ให้ได้ครบบัณฑิตที่มากมากนะให้ได้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปอย่างไงนะก็ตั้งให้มันดีๆทำไมตั้งไว้อย่างนี้นะเขบอกว่าคนพาลคืออะไรก็คนที่ขัดใจชั้นไงบัณฑิตอ่ะเขาบอกเขาบอกว่าเออเนี่ยเขาเนี่ยครบแต่บัณฑิตนะเขาไม่ครบกับคนพาลอ้าวบัณฑิตของคุณเป็นยังไงก็คือคนที่เขาไม่เคยขัดใจเราเลยอ่ะ อันนั่นแหละบัณฑิตไอคนที่ขัดใจเรานะมันพานไม่รู้เรื่องคว่างั้น